แต่ส่วนหน้าเท่านั้นส่วนหลังหาเห็นไม่ในด้านการประพฤติปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเรามักจะมองเห็นเต็ในด้านดีของเราด้านเสียมองมราก็เห็นก็เลยเข้าใจว่าตนน่ะดีแล้วถูกต้องแล้วเหมาะสมแล้วทีนี้เมื่อคนอื่นมาพบข้อบกพร่องของเราเข้าแล้วชี้ให้เราดูเราไม่พอใจเพราะความรับตัวคนอื่นมองเห็นตัวเราได้ถนัดชัดเจนกว่าตัวของเราเองฉั้นใด เขาก็มองเห็นความประพฤติของเราได้ดีกว่าฉันนั้นเมื่อเธอยอมรับว่าตัวเองมีข้อบกพร่องคนอื่นชี้ให้เห็นข้อบกพร่องก็ไม่ควรโกรธเขาตรงกันข้ามควรจะขอบใจเขาเสียอีกเพราะเราจะได้รู้ข้อบกพร่องของเราแล้วแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นท่านเรียกข้าพเจ้ามาสอนเรื่องนี้เองอะดูก่อนวราหัสสมมติว่ามีชายคนหนึ่งมีขอโสโครกเปิด ที่หน้าแต่เขาบอกไม่เห็นเข้าใจว่าใบหน้าของตนนั้นสะอาดหมดจดจึงเดินไปตามถนนขณะนั้นมีชายคนหนึ่งเดินทางมาพบรอยเปื้อนที่หน้าของชายคนแรกจรึงชี้ให้ดูและแนะนําให้เข้าไปล้างออกซะแต่ชายหน้าเ ป, ปรอะกลับโกรธหาว่าเขาดูถูกไม่สนใจกับรอยเปื้อนบนใบหน้าเดินอวดใบหน้าเปรอเปื้อนเขาตนต่อไปท่านเห็นว่าชายคนนั้นทําถูกหรือผิด เขาทำผิดอย่างแน่นอนทีเดียวฉันผู้เจริญทางที่ถูกเขาควรจะทำยังไงเขาควรหันเข้าสำรวจตัวเองซะก่อนถ้าพบรอยปรเปื้อนจริงดังที่คนอื่นทักท้วงก็ควรขอบใจเขาแล้วรีบไปล้างสิ่งโสโครกนั้นออกซะตนจะได้มีใบหน้าสะอาดหมดจดดังเดิมนี่แหละวราหะคคำทักท้วงของคนอื่นทาให้ใบหน้าของชายคนนั้นสะอาดได้ชั้นใดคาตีเตียนของคนอื่น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 ไม่คิดจะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเป็นคำชมเชยชนิดยกยอที่ไม่เป็นความจริงเห็นใบหน้าของเราเปรอเปื้อนแต่เขาว่าสะอาดดีแล้วเช่นนี้ก็จะทำให้เรายินดีพอใจอยู่กับใบหน้าที่เปรอเปื้อนไม่คิดที่จะชำระล้างสิ่งโสโครกออกใบหน้าของเราจึงเละเทอะอยู่เรื่อยไปท่านจึงไม่ควรโกรธเมื่อถูกผู้อื่นตาหนิและไม่ควรดีใจพอใจ อิ่มใจเมื่อได้รับคำสรรเสริญข้าพเจ้าเข้าใจตั้งแต่นี้ต่อไปข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคงของท่านทุกประการ สุภูตก็ที่ท่านสั่งสอนพระวราหาน่ะสิบัดนี้พระวราหะได้กลายเป็นคนสงบเสงี่ยมไม่เย่อหยิ่งถือตัวยินดีรับฟังคําวิภาควิจารณ์จากธรรมิกัอย่างชื่นตาเป็นคาที่น่ายินดีที่คําสั่งสอนได้ผลพระเวรโรวณารามก็เป็นอันหมดเสี้ย น, นามมีแต่สันติสุขทุกทีกท่วาราตรีคนเรานั้น ส่วนมากไม่ได้ศึกษาดูตัวเองอย่างละเอียดโดยจิตใจอันเป็นธรรมไม่ได้เปรียบเทียบกับบุคคลอื่นอย่างยุติธรรมมักจะเข้าใจว่าตนดีกว่าคนอื่นถูกต้องเหมาะสมกว่าคนอื่นความรู้สึกนึกคิดเช่นนี้มีอยู่แทบทุกคนถูกของท่านเกรวตะบางคนแสดงออกในการคุยโอ้อวดบางคนแสดงออกด้วยท่าทาน บางคนแสดงออกมาด้วยการทำเป็นนั่งอมภูมิบางคนก็ไม่แสดงอาการใดๆออกมาคล้ายกับว่าไม่มีความรู้สึกนึกคิดแต่ความเป็นจริงแล้วเขามีความรู้สึกนึกคิดว่าตัวดีเช่นเดียวกับคนที่แสดงออกมาตรงๆแต่ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้สิสุภูตพิสูจน์ยังไงท่านผู้เจริญเราพิสูจน์ได้โดยการแกล้งยอว่าเขาดีอย่างนั้นเขาเก่งอย่างนี้ สวยอย่างนั้นงามอย่างนี้เขาจะแสดงความพอใจออกมานอกหน้าทีเดียวนั่นเพราะอะไรเพราะอะไรเหรอท่านผู้เจริญเพราะคำยกยอตรงกับความรู้สึกนึคิดของเขาเขาเข้าใจว่าเขาดีอยู่แล้วเมื่อเราไปส่งเสริมเขาจะเกิดความพออกพอใจทั้งทั้งที่คำย อ, อนั้นไม่มีมูลความจริงเลยตรงกันข้ามถ้าเราไปตำหนิเขาแม้ว่าคาตาหนิของเราจะเป็นจริง เขาก็โกรธเพราะเขาเข้าใจว่าเขาดีเด่นอยู่แล้วเมื่อไปตําหน่เข้าจึงขัดกับความรู้สึกนึกคิดของเขาทําให้เขาเกิดความไม่พอใจแล้วก็ผูกโกรธหาทางทําลายตัดรอนผู้ตําหนิงน่เป็นมูลเหตุให้เกิดความยุ่งยากปันป่วนในชุมนุมชนอย่างเรื่องนี้มีความจริงอยู่อย่างหนึ่งความจริงอะไระท่านผู้เริญผู้ใหญ่ที่คณะป่าโมก มีอานาจบริหารหมู่คณะย่อมเป็นที่เคารพเกรงกลัวของผู้น้อยความเคารพเกรงกลัวนี้ทําให้ผู้น้อยยงเกรงไม่กล้าคัดค้านไม่กล้าตักเตือนแม้จะเห็นความผิดพลาดของผู้ใหญ่มีแต่ยกยอรสรนเสริญถ่ายเดียวเมื่อผู้ใหญ่ได้รับคําสรนเสริญอยู่ตลอดเวลาเช่น <c oughs> นี้ก็เลยเกิดความเข้าใจว่าตนเป็นบุคคลวิเศษทําอะไรพูดอะไรไม่ผิดมีแต่ถูกต้องเท่านั้น จึงเป็นเหตุให้ทำอะไรพูดอะไรตามความคิดเห็นของตนคนเดียวไม่ยอมฟังความคิดเห็นของคนอื่นเพราะว่าคำของคนอื่นใช้ไม่ได้พอต่อมาได้รับคำตังนิติเตียนวิพากวิจาร์จากผู้อื่น ก, ก็เกิดความไม่พอใจรุนแรงกว่าคนธรรมดาเกิดความไม่พอใจใครแล้วมักจะใช้อำนาจหน้าที่ของตนกำจัดผู้นั้นเสียหรือหาทางทาลายตัดรอนโดยประการต่งตาง ทำให้ชุมนุมชนนั้นกลายเป็นอาณาจักรแห่งความหวาดกลัวท่านเรวตะผู้เจริญอะไรเหรอสุภูตะท่านคงทราบดีอยู่แล้วว่าอาณาจักรมคต กับอาณาจักรโกศลเป็นศัตรูกันท้าวเจ้ารู้เท่ากับคนทั่วไปรู้สองอาณาจักรเคยทําสงครามขับเคี่ยวกันหลายครั้งผัดกันแพ้ผัดกันชนะเรื่อยมาสงครามแต่ละครั้งทําให้คนและสัตว์ล้มตายนับเป็นจำนวนแสนแสนทรัพย์สินพินาศย่อยยับจํานวนไม่อาจจะค้นนาได้เสร็จสงครามแล้วทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายแพ้และชนะ ต่างก็ย่อห ย, ยาบไปด้วยกันแต่นับว่าโชคดีตั้งแต่ข้าพเจ้ามาอยู่ที่นี่เป็นระยะที่ว่างเว้นการสงครามแต่ไฟเรน ย, ยังคุกรุ่นอยู่ในหัวใจกริย์ตลอดถึงแม่ทัพนายกองของฝ่ายมคตพระสงครามครั้งสุดท้ายอาณาจักรมคตเป็นฝ่ายปราชัยขุนศึกทุกคนจึงแค้นใจและเริ่มเตรียมทาสงครามเพื่อลบรอยแค้นท่านทราบเรื่องนี้ดีสุภูตั ที่ทราบก็เพราะว่าชายชะกันจำนวนหมื่นได้ถูกเกณฑ์เข้าค่ายฝึกช้างมา้ามีการสสมสเสบียงและอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆอย่างเร่งรีบซึ่งก็เชื่อเหลือเกินว่าทางโกศลรัฐก็คงเตรียมพร้อมด้วยเหมือนกันเห็นทีสงครามจะเกิดขึ้นอีกเป็นแน่แท้ข้าพเจ้ามีข่าวดีจะบอกท่านข่าวดีอะไรท่านเรวตตสงครามที่ท่านกลัวคงไม่เกิดขึ้น รู้้ไดค่าวนี้แพร่สะพัดไปทั่วนครว่าทั้งฝ่ายโกศลรัตได้ส่งคณะทูตสันติมาขอเจรจากับฝ่ายมคขดเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดสงครามทั้งกรุงราชาเกศก็ให้เกียรติอย่างสูงแก่คณะทูตสันติจากกรุงสาวัตถีถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็ดีนะสิเป็นความจริงแน่ขณะนี้การเจรจาดําเนินไปหลายวันแล้วและมีความเห็นเป็นเอกฉันว่า คนและอาวุธที่แต่ละฝ่ายสะสมไว้มากๆนั่นเองคือสิ่งเย้าวยวนเร่งร้าวให้บรรดาขุนศึกทั้งหลายอยากทำสงครามดุดชายหนุ่มที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ย่อมอยากจะชกคนนั้นต่อยคนนี้ถ้าไม่มีกำลังรบหรือมีเพียงเล็กน้อยไม่อยากทำสงครามเหลือเกินก็ไม่อาจจะทำได้ดุดชายนุมแขนขาดขาขา ด, ขาดั้งสองข้างไม่อาจชกต่อยกันได้ จึงมีอยู่วิธีเดียวที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสงครามได้วิธีอะไระท่านผู้เจริญลดกําลังรบของทั้งสองฝ่ายลงการประชุมพูดกันถึงเรื่องนี้หรือเปล่าโพูดแต่ยังไม่เป็นที่ตกลงทําไมถึงไม่ตกลงละ่ะในเมื่อดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายที่ยังไม่เป็นที่ตกลงเน่ยเพราะคณะกรรมการแต่ละฝ่ายไม่มีความไว้วางใจต่อกันขณะนี้การเจรจายังคุมเนินอยู่ใช่ไหมยังดําเนินอยู่ ดูเหมือนไม่ใครมานะคนที่เคยมาฟังําบ่อยๆอ๋อดูเหมือนเป็นผู้สังทัดในวงการบ้านมองคนหนึ่งทีเดียวดีแล้วเดี๋ยวจะได้เธอโอกาสถามซะเลย พระเจ้าลดกำลังรบที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้นั้นท่านมีความเห็นอย่างไรจะมีทางตกลงกันได้หรือไม่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้ามีความเห็นว่าเขาอาจจะตกลงกันได้ในหลักการแต่ไม่อาจปฏิบัติตามข้อตกลงได้เพราะอะไรเหรออุบาสกเพราะมหมายไว้วางใจกันยัง ม, มีความระแวงสงสัยกันอยู่ต่างฝ่ายก็เกรงว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะหลอกลวงในที่สุด คำพูดทั้งสองฝ่ายแล้วไม่เป็นที่เชื่อถือได้นี่เป็นต้นเหตุในการเจรจาทักชาและอาจนำไปสู่ควา ม, มล้มเหลวในที่สุดแล้วสงครามน้องเลือด ก, ก็จะอุบัติขึ้นอีกท่านสุจิตตะละ่ะมีความเห็นยังไงท่านผู้เจิญข้าพระเจ้าเชื่อมั่นเหรือเกินว่าการเจรจาคราวนี้จะไม่บังเกิดผลแต่อย่างใดเขาจะตกลงกันไม่ได้ถึงตกลง ก็ลดอาวุธตามข้อตกลงไม่ได้ถึงลดอาวุธได้สงครามก็ยังเกิดอยู่นั่นเองถ้าเขาลดอาวุธได้แล้วสงครามยังจะเกิดอีกมะเกิดแน่นอนเขาจะเอากำลังที่ไหนมารบกันเขาก็สร้างอาวุธขึ้นมาใหม่จะสิสร้างไม่ได้ถ้าสร้างขึ้นมาก็ขับกับข้อตกลงลดกําลังรบไปายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องคัดค้านถ้าเขาจะสร้าง มันก็สร้างได้ทั้งนั้นแหละลองคิดดูสิว่าอนณาจักโกศลนักว่างใหญ่ไพศาลแค่ไหนเขาอาจไปซุ่มซ่อนสร้างที่ไหนก็ได้เมื่อถึงคราวจําเป็นจะใช่ก็น้าออกมาทีละน้อยอย่างลับๆเขารู้ก็จะต้องขัดข้ามเอาหลักฐานอะไรมาขัดข้าก็เพื่อเขามีหลักฐานล่ะ ถึงมีหลักฐานก็ค้านไม่ได้ทำไมถึงจะค้านไม่ได้ก็จะไปค้านกับใครละ่ะในเมื่อข้อตกลงของเราเป็นข้อตกลงระหว่างสองฝ่ายเท่านั้นไม่มีคนกลางที่มีอำนาจสูงเป็นพยานหลักฐานเราเป็นผู้รักษาข้อตกลงนั้นและถ้าหากเราจะละเมิดข้อตกลงนั้นเสียเองข้อตกลงที่ปราศจากบุคคลที่สามรองรับ ก็เหมือนกฎหมายที่ไม่มีราชบรรุษคอยจับกุมคนละเมิดไม่มีตุลาการคอยวินิจฉัยตัดสินโทษไม่มีเรือนจำสำหรับขุมขังกฎหมายนั้นก็ขาดความศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครปฏิบัติตามขบจ้าเชื่อ ว, ว่าการเจราจาลดอาวุธจะไม่บังเกิดผนดีแต่อย่างใด นอกจากจะใช้เป็นเครื่องหลอกเด็กใครดีใจว่าไม่มีสงครามเท่านั้นแต่ถ้าเขาสามารถตกลงกันได้และลดอาวุธได้จริงๆล่ะท่านถึงลดได้ก็ไม่เพียงโวคราวไม่ช้าเขาก็จะจ้างมันขึ้นมาทำลายล้างผลานกันอีกอาตมาเห็นด้วยอาวุธทั้งหลายมีมีดดาบหอกแหลนเหลาธนูและปืนเหล่านี้เป็นแต่เพียงอาวุธภายนอก เราจะลดหรือไม่ลดไม่สำคัญอาวุธภายในคือความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาความเย่อหยิ่งถือตัวการถือชั้นวันนะตรกูลแล้วดูถูกเหยียดยามกันความเห็นแก่ตัวเหล่านี้ละ่ะนับว่าเป็นอาวุธที่สำคัญและร้ายแรงที่สุด กอดูบาศกหอกดาบเป็นของไรวิญญาณทิ้งไว้ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นไปทําร้ายใครไม่ได้ถึงแม้จะมีกองเท่าภูเขาก็ไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดจะลดหรือไม่ลดจึงไม่ใช่เรื่องสําคัญตัวการสําคัญอยู่ที่คนคนที่จะใช้อาวุธเหล่านั้นถ้าผู้มีจิตใจเต็มปไปด้วยความโลภโกรธหลงเขาก็จะจับอาวุธเหล่านั้นเข้าเข็นฆ่าคนอื่น จนเกิดเป็นสงครามขึ้นตรงกันข้ามถ้าคนมีใจสงบระงับไม่ตกเป็นทาสของโลภโกรธหลงแม้อาวุธภายนอกจะมีมากมายเขาก็ไม่จับมันไปทําร้ายคนอื่นเป็นอันขาดอาวุธภายในจึงสําคัญที่สุดถ้าจะลดควรจะลดอาวุธภายในถ้าลดอาวุธภายในแล้วอาวุธภายนอกก็จะลดไปตาม แต่ถ้าลดอาวุธภายนอกได้ก็เพียงชั่วคราวในไม่ช้าอาวุธภายในก็จะบังคับให้เขาสร้างอาวุธภายนอกขึ้นมาอีกแล้วก็ทำลายล้างผลานกันอีกอาวุธภายนอกเปรียบเหมือนผลไม้อาวุธภายในเปรียบเหมือนต้นไม้แม้เราจะเก็บเอาผลไม้ไปทิ้งสมตุตถ้าต้นไม้นั้นยังอยู่ปีหลังมันก็จะออกผลอีกเราต้องคอยเก็บเอาทิ้งทุกปีทุกปี แต่ถ้าเราตัดถอนรากถอนโคนต้นไม้นั้นสะมันจะไม่ออกผลให้เราต้องคอยทิ้งได้วความลำบากอีกต่อไปนี่คือความเห็นของอาตมาในฐานะเป็นธรรม สบายท่านเป็นใครมาที่นี่ต้องการอะไรข้าพเจ้าชื่อปุณธมานพเป็นบุตรแห่งตระกูลพรามข้าพเจ้าเคยฟังธรรมบรรธรรมสวัสณ่์เสมอและเกิดความเบื่อสายอยากจะบวชเป็นพระพิสุในพุทธศาสนาแต่ขาดด้อยไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาข้าพเจ้าพยายามวิงวอนท่านทุกวันแต่ท่านก็ไม่นยินยอมจึงมาหาท่านเพื่อขอให้ท่านบวชให้ เธออายุเท่าไร่มานพข้าพเจ้าอายุยีสิบห้าปีเธยไม่เจตนาจะบวชจริงๆหรือบวชชั่วคราวข้าพเจ้าตั้งใจจะบวชจริงๆความจริงเธอกําลังอยู่ในวัยหนุ่มแน่นเป็นวัยที่กําลังเพลิเพลินอยู่กับอารมณ์ของโลกไม่น่าคิดอยากจะสละโลกออกสู่ชีวิตอันเงียบเหงาของพระเธอมีความคิดเห็นอยังไงจึงได้ตัดสินใจจะบวชข้าพเจ้าขอเรียนตามตรงว่า ข้าเจ้าเลยเกิดความเบื่อหน่ายโลกโลกทําอะไรให้เธอเจ็บทาน้าใจเละเธอจึงเกิดความเบื่อหน่ายอ๋อหาไม่ได้ตรงกันข้ามโลกให้ความอภิรมุขทุกอย่างแก่ข้าพเจ้าแต่กูลของข้าพเจ้าร่ำรวยข้าพเจ้าเป็นเด็คนเดียวที่พ่อแม่ตามใจทุกอย่างข้าพเจ้าได้ใช้ชีวิตหาความสุขสําราญจากโรกทุกแง่ทุกมุมมาเป็นเวลาหลังสิบปีแล้วในที่สุดก็ไม่เห็นได้สาระอะไรเลยเธอคิดอย่างนั้นเลยถูกแล้ว ความสุขของโลกนั้นมีนะสุขของโลกเป็นความสุขไม่บริสุทธิ์เป็นสุขชั่วคราวทั้งรู้มาจากไหนว่าสุขของโลกไม่บริสุทธิ์เป็นสุขชั่วคราวข้าพเจ้ารู้มาจากพระคุณเจ้านะี่แะพระคุณเจ้าเคยบอกว่าสุขทางโลกนั้นตั้งอยู่บนรากฐานคือความอยากหรือตัณหาอยากได้อยากนี้อยากเป็นอะไรต่างๆเมื่อยาก ก็แสวงหาสิ่งต่างๆมาสนองความอยากหารูปมาให้ตาชมหาเสียงมาให้หูฟังหากลิ่มมาให้จมูกดมหารถมาให้ลิ้มลิ้มหาสัมผัสมาให้กายถูกต้องหาอารมณ์ต่างๆมาบําเรอจิตใจถ้าหาสิ่งต่างๆมาบําเรอตัณหาได้ก็รู้สึกเป็นสุขแต่สุขอยู่เพียงชั่วคราวก็เกิดความเบื่อหน่ายอยากได้อยากนี้อยากเป็นในอารมณ์อื่นๆอีกต่อไปอีก แล้วก็ไกว์คว้าหาหาได้มาบำรุงบำเลระความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็เวียนนาอีกหาใหม่อีกเป็นอยู่ที่นี่ไม่รู้จักจบสิ้นเมื่อพิจารณาโดยแยอกใครเห็นความจริงข้อนี้ขนะ้าพเจ้าจึงคิดจะปลดเปล้องตัวเองให้พ้นไปจากความเป็นทาสของปัญหาสักทีความคิดของเธอชอบโดยเหตุผลแล้วมานอก ทุกคนตั้งตกเป็นท่าตัณหาอย่างไม่ลืมหู ล, ลืมตาตัณหาเปรียบเสมือนเสือร้ายที่เราเลี้ยงไว้เป็นเสือตัวมหืมามีปากถึงหกปากกินอาหารถึงหกชนิดพระคุณเจ้าปากูกปากทั้งหมายถึงอะไรอะปากทั้งหกคือตาหูจมูกลิน้นกายใจแล้วอาหารทั้งหกะ่ะพระคุณเจ้าอาหารทั้งหกชนิด ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธัญมารมตันหาพยากรินอาหารตลอดเวลาไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอดดกองไฟที่ไม่รู้จักอิ่มด้วยเชือ้อดดมหาสมบตที่ไม่รู้จักอิ่มด้วยน้ําเราต้องต่อสู้ดิ้นรนตัวเป็นเกลียวตั้งแต่เกิดจนเกิดทั้งตายเพื่อหาอาหารทั้งหกชนิดมาให้ตันหากิน กินแล้วมันก็สงบนิ่งชั่วคราวตอนนี้แหละเรารู้สึกเป็นสุขบ้างแต่นาไม่ช้ามันก็หิวอีกแล้วบังคับให้เราหาอาหารให้มันกินอีกถ้าเราหาไม่ได้มันก็กัดฟัดเวียงอย่างไม่ปราณีแต่ถึงกระนั้นคนก็หาได้เกรดชังตังหาไม่ตรงกันข้ามกลับรักตังหาอย่างจับจิตจับใจประดุลว่าตังหานั้นเป็นของตน ยอมตัวลงเป็นทาสของตันหาด้วยความเต็มใจแล้วรับใช้ด้วยความซื่อสัตย์จงรักภักดีายตันหาเมื่อเราเอา อ, อกเอาใจมันก็พาเราวิ่งวนไปมาในวัฏสงสารอันเต็มไปด้วยเพลิงทุกข์คือเกิดแก่เจ็บตายโศกเศร้าเสียใจดูก่อนมนกพระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาเห็นความจริงข้อนี้ และเกิดความสังเวชสลดใจที่ได้ตกเป็นทาสรับใช้ตัญหามานานในที่สุดพระองค์ได้ตัดสินพระไทยที่จะปลดปล่อยตัวให้พ้นจากพันธนาการแห่งตัญหาดังที่เธอคิดอยู่ในขณะนี้ในที่สุดพระองค์ก็ทรงปราบตัญหาได้อย่างราบคาบเด็ดขาดทรงประกาศอิสรภาพให้แก่พระองค์เองไม่เป็นทาสของตันหาอีกต่อไปเป็นอิสระเสรีอย่างสมบูรณ์ จากกลงเล็บของตันหานี่แหละคือจุดประสงค์สูงสุดของนักบวชทุกคนการปลดตัญหานี่ง่ายหรือเกินการปลดเรื่องตันหาเนี่ยังง่ายได้หรือกันไม่ที่ทําได้ง่า ย, ายอย่างที่พูดลงนะมานุคนเข้าใจว่าตันหานั้นคือตัวของเราเองเลยไม่มีแม้แต่ความคิด ที่จะทำลายตันหาคือนายู้ทารุณคิดจะทำลายก็ไม่อาจจะทำตามที่คิดได้ไง่ายๆเพราะอะไรลหละพระคุณเจ้าเพราะถูกตันหาต่อต้านอย่างหนักหน่วงจนในที่สุดต้องพ่ายแพ้กลับไปเป็นทาสของตันหาต่อไปตามเดิมเป็นอย่างนี้แหละอาตมาจึงอยากทราบความตั้งใจของเธอเสียก่อนว่าเธอจะตั้งใจจริงแค่ไหนถ้าตั้งใจจะบวชเพียงชั่วคราว เพื่อทดลองดูก็อย่าบวชซะเลยดีกว่าเพราอะไรเหรอท่านผู้จเจริญเพราะการบวชคือการเอาตังหามาขังกรงไว้เพื่อให้มันอดมันจะได้อ่อนกำลังลงเพื่อสะดวกในการทำลายในเวลาต่อไปถ้าเราขาังมันไว้ให้อดเล่นๆ เ, เพียงชั่วคราวไม่ตั้งใจจะฆ่ามันจริงๆเมื่อเราปล่อยให้มันไปอิสระอีกมันจะหันเข้าแก้แค้นอย่างหนักหนูทีเดียว แต่ข้าพเจ้าได้ตัดสินใจอย่างเด็กขาดและวว่าจะจัดการกับปัญหาอย่างจริงจังขอท่านได้รวจอนุญาตให้ข้าพเจ้าบวชอาตมาดูแล้วเธอเป็นคนหนึ่งที่มีความตั้งใจจริงในการบรวชถ้าได้บวชสมประสงค์คงตั้งใจปฏิบัติจริงและถ้าบา ร, รมีแก่กล้าพออาจจะได้บรรลุมรรคผลชั้นใดชั้นหนึ่งแต่หน้าเสีดายเหลือเกิน ที่มิสามารถจะบวชให้เธอได้บวชให้ไม่ได้หรอท่าพิจเรนทำไมเข้าไปเจ้าจึงบวชไม่ได้อ่ะท่าไม่ประสงค์จะบวชให้ข้าไปเจ้าใช่มะไม่ใช่เงนินดอกนมันหรอกอาตมายินดีที่จะบวชให้เธอแต่ที่บวชให้ไม่ได้ก็เพราะว่าเธอไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาก็บวชไม่ได้เลยหรอท่านพิจเรน ถูกแล้วอาตมาไม่อาจจะบวชให้ได้เพราะขัดต่อพระพุทธบัญญัติถ้าเธอประสงค์จะบวชจริงๆจงกลับไปวิงวอนขออนุญาตบิดามารดาใหม่ท่านพเจารณ์ข้าพเจ้าคงไม่มีหวังได้รับอนุ ญ, ญาตจากบิดามารดาเพราะทีท่านท่านห้ามแข็งขันเหลือเกินน่าจกเธอแล้วมีใครอีกบ้างที่จะอยู่ครองเรือนปฏบิบัติบำรุงบิดามารดาของเธอ ไม่มีเลยท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นเธอควรงรงับความคิดที่จะบวชไว้ก่อนต่อเมื่อสิ้นบุญบิดามารดาแล้วจึงค่อยบวชทีหลังแต่ว่าหากเธอยังคิดที่จะบวชระหว่างนี้ก็จะเป็นการทอดทิ้งบิดามารดาไว้แต่เดียวดายขาดผู้อุปถัมภ์บำรุงเป็นการกระทำอันไม่สมควรเพราะบิดามารดานั้นเป็นผู้มีอุปการะคุณต่อบทอย่างสูงเป็นผู้ให้ทรัพย์อันมีค่าสูงสุดในชีวิต และร่างกายแก่บุตรเป็นบุพกาจารย์ผู้อบรมแนะนำพร่มสอนบุตรก่อนครัวอาจารย์ทั้งหมดเป็นพรหมผู้มีพรหมวิหารธรรมคือเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาแก่บุตรไม่มีวันเสื่อมถอยบุตรจึงเป็นนี่บิาดามารดาควรใช้นี่ท่านด้วยการปฏิบัติเลียนดูท่านข้าแต่ท่านผู้เจริญเรื่องบุคุณเนี่ยเป็นสิที่ข้าพเจ้าสมับสุเสมอ แต่ก็เสียดายที่มีมีโอกาสจะได้บวดบาเพ็ญสมณธรรมเพื่อความอิสระจากนาพุทธารุณคือ ป, ปัญหาดูก่อนมานพ ก, การบำเพ็ญสมณธรรมไม่ได้ผูกขาดไว้สำหรับนักบวชจำพวกเดียวแม้แต่เป็นข้ารหัสผู้ครองเรือนก็อาจปฏิบัติสมณธรรมและบรรลุมรรคผลได้ถ้ามีบา ร, รมีแก่กล้าพอเพราะว่ามรรคผลไม่ได้อยู่ในวัด ไม่อยู่ตามพ่างตามเขาแต่อยู่ที่ตัวเราทุกคนนั่นเองอยู่ที่ตัวเราถูกแล้วถ้าเรารู้จริงเห็นแจ้งตัวเองแล้วก็จะถึงมาผลได้ขอให้ศึกษาค้นคว้าตนเองศึกษาได้เห็นว่าตัวเราทั้งส่วนนามและรูปนี้เป็นส่วนผลเปิดเหมือนผลไม้ซึ่งเกิดมาแล้วจะต้องสุกงอมและเปิยเน่าไปตามธรรมชาติของมาัน เมื่อเนื้อและเปลือกผ ล, ลไม้เปืยเน่าไปแล้วมเมล็ดของมันก็ยังอยู่ภายในมเมล็ดนั้นมียางเหนียวและมีคุณสมบัติทุกอย่างที่จะเป็นผลไม้ได้อีกมเมื่อเมล็ดนั้นตกไปอยู่ในภาวะอันเหมาะสมก็งอกงามออกเป็นต้นไม้และมีผลอีกตัวของเราก็เปรียบเหมือนผลไม้วิญญาณธาตุเปรียบเหมือนมเมล็ดในผลไม้ยางเหนียวในมเมล็ดเปรียบเหมือนตันหาตราใบตันหายังมีอยู่ คนเราก็ยังจะต้องเวียนไหวตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดการเวียนไหวตายเกิดซ้ําๆซักๆเป็นภาวะอันน่าเบื่อหน่ายสำหรับผู้มีปัญญาแต่เป็นสิ่งหน้าที่รมสำหรับผู้ยังมืดมัวด้วยอวิชชาข้ากระทั่งผู้เจริญถ้าอย่างข้าพเจ้าก็ยังบวดไม่ได้ขอท่านได้โปรดแนะนําวิธีปฏิบัติเพืเ่อบรรเทากิเลสให้แก่ข้าพเจ้าในฐานะเป็นกระหัตเตอ ที่มีก็คือวิธีปฏิบัติปฏิบัติอย่างนั้นเหรอท่านผู้เจริญถูกแล้วมานพวิธีปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วมีวิธีการกำจัดกิเลสอยู่สามทันคือศีลได้แก่รักษากายวาจาไม่ให้พูดชั่วทำชั่ว เพราะกายกระทำชั่วพูดชั่วนำความเดือดร้อนมาสู่ตนและทำให้จิตใจเศร้าหมองศีล ส, สำหรับคารวาดเรียกว่าเบญจศีลมีละความชั่วท่านห้ามไว้ห้าอย่างถ้าปฏิบัติตามได้ครบทั้งห้าก็จะเป็นผู้ที่มีกายและใจสงบเยือกเย็นถ้ามีศรัทธาแก่กล้าก็ให้รักษาอุโบสถหรือศีลแปด ซึ่งมีข้อปฏิบัติทําให้เป็นผู้เบาจา ก, กจิตกังวลต่างๆและทําให้จิตใจสงบได้ดียิ่งขึ้นเมื่อศศรักษาศีลได้อย่างเคร่งครัดแล้วทึ่งปฏิบัติในข้อที่สองเรียกว่าสมาธิรณาชี่ไ้แนะละเอียดได้ท่านพิจารณาปฏิบัติในขั้ น, ท, นที่สองเรียกว่าสมาธินั้นคือหาโอกาสปลีกตัวไปอยู่ในที่สงบเงียบแล้วฝึกหัดข่มจิตใจเนื้อจิตฟุ้งซ่าน บังคับให้จิตอยู่นิ่งๆหรือให้ยึดอยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวทำได้ยากไหมท่านคู้เจริญตอนแรกๆ ก, ก็ทำได้ยากมากเพราะจิตใจนะ